คำที่ลวงตาเทค่คือมันรู้สึกว่ามันเข้าถึงใจแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ทราบตัวเองเข้าใจแล้วแต่รู้สึกว่าใจมันมันเย็นมันมันยอมลงอะคะสาธุสาธุ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะติดอยู่บางอย่างไม่แน่ใจว่าเหมือนเหมือนเราไปติดภาวะว่างหรือว่ามันวางเองของมันยังยังยังหาจุดแบบยังยังยังเรียงลําดับไม่ถูกเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่แค่รู้สึกว่าใจที่มันดิ้นรนนะคะคือพาหนูฟังหนูจะฟังไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนมันจับมาใช้ใช้ได้บางอันโดยที่แต่หนูไม่มีลักษณะว่าอพื้นพื้นความรู้ทางด้านปริญัติรองรับนะคะใจะ เห็นภาวะที่เกิดกับตัวเองเป็นหลักอะค่ะนั้นนายถูกต้องแล้วคือแค่รู้สึกว่าเมื่อก่อนจะชอบหาเหตุผลนะคะพอฟังหลวงตาพูดคือหนูก็รู้ตัวเองว่ามันเห็นภาวะหรือว่าหนูเป็นพวกต้องหาเหตุผลลองรับอ่ะค่ะแล้วคราวนี้มันก็เห็นใจที่ดิ้นออกไปอะค่ะพอมันจับภาวะใจเห็นใจที่ดิ้นออกไปเรื่อยๆมันก็เลยมันก็วางเองอ่ะค่ะแต่คราวนี้พอใจมันขยับพอมันเห็นมันก็ ก็หยุดแต่หนูไม่แน่ใจว่ามันกลับมาติดภาวะว่างหรือว่ามันหยุดเพราะว่ามันเห็นจริงอนะคะ่พะพอดีเมื่อเช้าตอนขับรถมาเห็นหลงตาเทสยุดเทสหนึ่งที่บอกว่ามันเหมือนพอเราเห็นอะไรอนะคะ่ะหนูไม่แน่ใจว่ามันเห็นแล้วมันก็เลยวางหรือว่าเหมือนเราแบบอจัดการกับความคิดที่มันจะขึ้นมาแต่หนูก็ว่าหนูก็เห็นนะคะเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนชอบให้ให้ค่านะคะ่ะให้ค่าถึงตาบอกว่าทั้งสองฝั่งอนะคะ่ะ แต่พอตอนนี้มันเริ่มรู้ว่าเราจะต้องเห็นมันเกิดตามความเป็นจริงโดยที่เราไม่ไปบังคับไปจัดสรรมันก็ก็กาลังกาลังพยายามอยู่กับอารมณ์นี้ค่ะคือเห็นมันผุดโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงคือให้มันรู้ด้วยใจกลางๆอะคะ่ะไม่ไม่เอียงไปทางด้านยินดีหรือว่ายินร้ายมากเกินไปพยายามพยายามทำใจให้มันอยู่ตรงกลางๆนะคะแต่แต่ก็ไม่พยายามแบบ พยายามโดยที่เหมือนมันไม่พยายามค่ะพยายามที่จะรู้รู้ไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทําถูกทั้งหมดแล้วหรือยังอะคะ่ะเราก็ถูกแล้วมันก็แต่ที่มันยังไม่เห็นก็ต้องเห็นเพิ่มขึ้นขนาดจิตที่ไปการรู้การเห็นของเามันก็ถูกต้องแล้วขเข้าใจนั้นล่ะ แ, แต่สิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็คือก็พยายามจะให้รู้ให้เห็นมากขึ้น เราพยายามจะละไปวางให้ได้ให้มากขึ้นแล้วเราเอ๊ยอย่างนี้การรู้เห็นของเราเนี่ยมันมันถูกหรือเปล่าเราเราก็ไปหยุดมันหรือเปล่าหรือเราเป็นผู้เห็นมันเฉยเฉยค่ะตอนนี้เห็นภาวะนี้นะคะความค<และ>วามนึกความตึกความตองเนี่ยในขณะปัจจุบันเนี้ยเราไม่เราไม่เห็นว่าอาตัวเนี้ยมันเป็นความหลงแหละไอ้ตัวที่อันไหนที่เราเห็นแล้วเนี่ยบรรลุจากความหลงไปแล้วที่เรารู้เราเห็นแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นแล้วมาฟังไปเสียงลงตาเนี่ย แล้วมันก็เลยเข้าใจาไปหมดแล้วไอ้ตัวนั้นก็มันก็หายหลงไปแล้วแต่ที่เรายังหลงอยู่ที่เราไม่เห็นก็คือเออไอ้ที่เราปล่อยวางไปแล้วตอนนี้ที่เรารู้เราเห็นเนี่ยไอ้กิยาการต่างๆที่มเป็นกิเลสต่างๆมันเริ่มน้อยน้อยลงมันเริ่มดับไปเยอะตัวตวนของเราก็น้อยลงไปเยอะเอยังมีอะไรอีกที่ตัวเราไม่เห็นยังมีอะไรอีกเราจะต้องพยายามให้มากขึ้นเอย อ, อย่างนี้เราเรอหลงไปไป ดับมันเอ๊ะอย่างนี้หรือว่ามันดับไปเพราะเรารู้มันไอ้ที่เรามันตรึกตรองตึกตรองตรึกตรองเราเราเราเราเราเป็นตัวเราเราเราเราเราเห็นเราจะต้องพยายามมากขึ้นเอ๊ะหรือว่านี้เราไปเห็นมันหรือเราดับมันเอ๊ะนี่โอ้ยเราความเป็นกิเลสของเรามันเบาบางไปเยอะมากเลยตอนนี้ความเป็นตัวตนเราก็เบาบางเยอะอุ้ยเมื่อก่อนเราไม่เห็นเลยเราไม่รู้เลยพอเรามาฟังไปเสียงแล้วเราเราเราเราเรารู้เราเห็นเรา เราเราไอ้ที่มันตกอยู่ในขณะที่เป็นเราเราในขณะปัจจุบันไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารลงสังขารอยู่หลงเอาตัวเราไปปรุงไปแต่งลงเอาไปไปคิดไปนึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราไอ้ตัวนี้เราก็ไม่เห็นมันถ้าเราเห็นมันสร้างเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเห็นว่าเป็นสังขารใจก็ไม่เข้าไปยึดเองค่ะคือสองสามวันนี้เห็นภาวะที่หลวงตาบอกแล้วมันก็หยุดมันก็เลย เหมือนมันว่างๆคราวนี้ก็เลยไม่แน่ใจ ต, ตอนนี้อยู่กับอารมณ์เนี่ยเขาพอเห็นว่าเรากําลังสงสัยนะคือเห็นภาวะที่หลวนตากําลังพูดมาสองสามวันเนี่ยช้าอะค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนเหมือนหยุดแล้วคราวนี้มันไม่รู้จะทํำไงต่อพอเห็นเราก็เห็นมันหยุดแบบหยุดห ย, ยุดพอภาวะหยุดแล้วมันก็หยุดแล้วก็ว่างแต่เราเนี่ยแหละติดตองอยู่ค่ะเราก็แอบติดตองขึ้นมาต่อแล้วแล้วมันจะยังไงต่อคือ มมันันเห็นตัวเราเนี่ยนะปล่อยวางตัวเราเลื่อยไปอีกคือพอมันหยุดมันว่างมันเบามันสว่างมันสงบก็ตามแต่เราก็ตึกตรองแค่นั้นโอ้โหเราเก่งมากเลยเราปฏิบัติได้มาถึงขนาดนี้อูเรามีบุญเรามีมากเลยเราอุยเรามาเจอจากนี้โอ้ยเราตอนนี้ใช่เลยนี่เรามาเจอจารีใช้อยู่เลยไอ้ตัวเนี้ยที่เราตึกตรองอยู่เนี้ยเราไม่เห็นเนี่ย คือหนูไม่ได้คิดว่าตัวเองทําถูกหรือแค่สงสัยว่าหนูทําถูกหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องสงสัยสงสัยเนี่ยนะไอ้นี่นะคือตัวที่เราหลงไปปรุงแต่งให้เห็นตัวนี้อีกหนูได้แต่ว่าหนูทําถูกหรือเปล่าให้แค่ไอนไอ้ต้้มถูกต้องผิดไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่ว่าไอตัวที่เราพูดอยู่เนี่ยหนูไม่เห็นเลยเว้ยอย่างนี้สงสัยสงสัยตั้งถูกก็ผิดเอ๊ะเดมถูกก็ผิดโอ้โหเรามันทําไมเป็นอย่างนี้เนาะโอ้โหมันทำไมอย่างนี้มันอย่างนั้นโอ้โหมันไม่อย่างนั้นอย่างงี้โอ้โหมันทําไมเห็นแล้วมันหยุดหมดเเลลยยว่า มนพูดอยู่คนเดียวมันบนอยู่คนเดียวมันตึกมันตอมันไข้ควนมาปวงวนผลมันวิเคราะห์มาเราเราเราอุ้ยเราอย่างนั้นเราอย่างงี้เนี่ยไม่เห็นนะเราไปเห็นแต่ไอ้ที่มันเป็นอยู่ข้างหน้าแต่เราไม่เห็นตัวเราที่เรากลังไข้ควนอยู่ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องเห็นมันเป็นตัวปรุงแต่งเห็นว่ามันเป็นปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นปรุงแต่งถ้าเราไม่เห็นแม้มันจะลงเป็นตัวเราเป็นคนสังขารเองพราะเราไม่เห็นถ้าเราเห็นจะเราก็จะกลายเป็นผู้เห็นสังขารเพราะเราเห็นมันว่ามันเป็นสังขาร ก็จะหลุดรอดหลุดพ้นจากสังขารไปได้หนูหลูไม่ได้ใจหนูพราะืาทีที่หลองตาพูดหนูไม่เห็นรูปนามหนูแล้วก็เราพูดอยู่ว่าเนี่ยหนูไม่แน่ใจหนูชักไม่แน่ใจห น, ห น, หนูหนูไม่แน่ใจไอ้หนูหนูนี่มันไม่ใช่สังขารหรอเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคิดตัวปรุงแต่งเหรอเห็นเห็นตรงยะค่ะเออก็ต้องเห็นนี่แน่เห็นที่ตัวเราก็ไปเห็นที่ตัวเราก็ไปนี่แน่ หนูสงสัยหนูยังไม่แน่ใจหนูยังไม่มั่นใจหนูจะเอายังไงดีหนูยังสงสัยสงสัยไอ้หนูหนูหนูนี่ไม่ใช่หลงสังขารอยู่แล้วเนี่ยหลงค่ะเออก็เห็นอยู่สิเห็นแล้วก็วางไปเห็นนันเป็นสังขารเป็นความคิดความปรุงความแต่งเราไปเห็นมันเราเป็นความคิดความปรุงความแต่งเราเป็นสังขารมุกแตงพอเราเห็นมันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้เห็นล่ะ ไอจิตที่มันสังขารว่าหนูหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันก็จะดับไปมันก็จะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองเกิดเองดับเองแต่ตัวหนูมันจะเข้าไปถึงตัวหนูที่ไม่มีตัวหนูเข้าไปถึงเราที่ไม่มีตัวเราเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นนหละไม่ได้ไปไล่ดับอะไรนะทำพยายามพยายามพยายามจะไปดูให้รู้ให้เห็นจะพยายามไปดับอะไรไอตัวพยายามพยายามเนี่ยคือหลงสังขานแล้วหลงหลงคิดหลงปรุงแต่งได้เทยนั้นแต่เห็นมันซะเห็นว่ามันเป็นสังขารสังขารสังขาร แต่ใจไม่สังขารหลังจากสังขารแล้สังขารไปจะคิดจะนึกจะตึงจะตองปุงแต่งเป็นเราเป็นเราเป็นหนูเป็นหนูเป็นหนูหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้โอ้ยหนูหนูหนูหูอย่างนั้นหนูเงียบหนูสงสัยเอ๊หนูยังพยายามเอ๊ะหนูต้องพยายามต่อไปหนูจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเนี้ยมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มี็ทางเดินแล้วก็เห็นหมดเลยว่าไม่ว่าจะปุงเป็นหนูเป็นเป็นเราเป็นเราเป็นผมผมผมผมยังไงก็ตามเนี่ยปุงแต่งทางงานเอ๊เป็นสังขารปรุงแต่ทางงาน ไอ้ผู้เห็นนะส่วนผู้เห็นนะผู้รู้ผู้เห็นจริงๆอ่ะมันเป็นถึงใจที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นจริงๆนะเป็นจิตเดิมแท้ๆหรือเป็นวิญญาณแท้ๆเนี่ยเป็นผู้รึกหรือผู้รู้แท้ๆธรรมชาติอ่ะอันนั้นน่ะไม่ปรุงไม่อะไรเลยได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ก็รู้อะไรก็ต้องรู้ว่าเนี่ยรู้เข้ามาจนถึงว่าไอ้ที่มันปรุงเป็นเราเป็นเราเป็นหนูเป็นหนูเป็นหนูเอมัอสงสัยสงสัยเออถูกหรือผิด ไอ้อย่างนี้มันผิดมันอย่างนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยเราไม่ค่อยมั่นใจหรือหนูยังไม่ค่อยมั่นใจหนูที่มันบน่นง ง, งิงงงิงมันพูดอยู่ตัวคนเดียวในใจของเราเนี่ยไอเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดแต่ตลอดเวลาเลยแต่ใจผู้รู้เนี่ยหรือไอผู้รู้แท้ๆตามธรรมชาติมันไม่ไม่อาจสังขารได้ไม่อาจปรุงได้ได้แต่แค่รู้สังขารรู้สังขารแต่มันไม่ได้ไปพยายามดับไม่พยายามไปไล่รู้เลยเหรอกมันไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ผู้รู้ธรรมชาติแท้ๆไม่ปรากฏตัวตน ส Bennett, ิ่งใดปรากฏตัวตนพอเราเห็นว่าสิ่งใดที่ปรากฏตัวตนเป็นสังขารมันก็จะไม่มีใครไปยึดสังขารมันจะพอสิ้นผู้ยึดสังขารมันจะกลายไปเป็นใจที่ไม่สังขารเป็นเรียงวิสังขารหรือเป็นอัสังขารตมธาตุที่ไม่อัดสังขารได้เห็นไหมเนี่ยมันตึกต้องในใจเนี่เห็นไหมเนี่ยคมันทั้งสงสัยประกอบดีใจประกอบปั่นป่วนไปหมดในตอนนี้เห็นไหมเนี่ยเออหนูตั้งสงสัยประกอบความดีใจประกอบอิ่บเอิบใจประกอบความปั่นป่วนไปหมดนะไอ้ตัวนี้ยทั้งหมดสังขารทั้งนั้นแน่ แต่แค่รู้ก็เห็นมันนะถ้าแค่รู้แคเห็นมันนั่นแหละไม่ไปทําอะไรกับมันหรอกแค่รู้แคเห็นไม่ไปไล่รู้ไล่ดับก็หรอกมันจะเป็นผู้รู้ที่ไม่สังขารสมที่ <the> ิพธเจ้าตรัสกับพยาสิเป็นคารวะว่าถ้าเธอแค่รู้สับตาวารู้นั่นแหะเธอจะสิ้นความรู้สึกเป็นตัวตนสิ้นความหลงว่ามีตัวตนจะไม่มีตัวตนในโลกนี้ไม่มีตัวตนนะเธอาของเธอในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสพ้นจากทุกบรรพณิพนานพยาฟังจบวารุณอรหันต์เลย ก็รู้ว่าไ่านหรอกเดี๋ยวจะบอกแไ้วแม่อืมไอไอตัวอยากจะพูดอะไรขึ้นมาอยากจะบอกอะไรอยากจะพูดอยากจะพูดอะไรให้ฟังนั่นแหละแม้แต่มีที่มันมีอะไรในใจแล้วก็เป็นเพียงเป็นสังขารนะเห็นมันเห็นค่ะพอมันเห็นมันก็ไม่มีอของผู้ขอเอออย่างงั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นไปไปเห็นมันระดับมันนะให้แค่เป็นผู้รู้ผู้เห็นมันก็จะเป็นสัจธรรมรู้อุได้สัจธรรมรูน้นก็จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากความเป็นตัวตน พ้นกิเลสตัณนาคนจะถูกแต่ต้องเป็นผู้เห็นมันนะต้องรู้มันที่อยากจะบอกอะไรลุงตาอยากจะพูดอะไรให้ฟังว่ามันเข้าใจอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นงนี้เลยใช่ใช่ใชอย่างนี้ไอ้ที่อยากจะบอกจะจะพูดน่ะตั้งขานตั้งนั้นน่ะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสังขารก็รู้เป็นผู้รู้มันอยู่เงียบๆอย่างนั้นนี่ยเป็นผู้รู้มันอยู่เงียบๆในใจของเราเนี่ยไอ้ใจนั่นนี่ยเป็นผู้รู้รู้อยู่รู้ไม่มีตัวตนรู้เฉยๆรู้อยู่เงียบๆไม่มีตัวตนของผู้รู้ ไม่มีกิริยาการของผู้รู้เห็นสังขารมีแต่สังขารสังขารสังขารแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏเละตนตนเลยแต่แต่รู้อยู่กันเนี่ยสัตว์ตัวรู้อยู่เงียบๆรู้สังขารไม่ไล่ดับสังขารเลยเลยแต่แค่รู้ถ้าเธอแค่รู้รือสัตว์ตัวรู้เธอจะรู้วันนี้่าน